เทศอบรมพระวันที่20พิพฤศจิกายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากไปตลอดปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าและสาวกดำเนินมาและเอียดสุขุมมากเป็นความสง่างามมากจงปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมา อย่าเห็นสิ่งใดว่าประเสรยยิ่งกว่าธรรมอันเป็นทางประเสรฐซึ่งจะเกิดขึ้นในใจสอนกรรมฐานยางและะเอียดสุขุมและพูดผลของการพิจารณากรรมฐานห้าที่รู้และปล่อยวางไปโดยลำดับตลอดการปล่อยวางโลกามิตทั้งปวงและสอนไม่ให้ติดในสิ่งใดๆเทศเรียงลำดับ ตั้งใจ ต, ต้นจนถึงที่สุดอย่างไพเราะพระพริ้งมากโดยลําดับจนกิเลสสิ้นซากโดยสิ้นเชิงงานของพระคืองานฆ่ากิเลสให้สิ้นซากโดยทายเดียวโลกเดือดร้อนทุกหย่อมยาไม่เชิดลําพองของกิเลสหรือเราจะทําความประเสริฐแก่ตนด้วยธรรมทาไมว่าลําบากไม่ใช่ถูกหลอกจากกิเลสแบบจมไปแล้วหรือ กันนี้ใครๆอัดต่อได้กันนี้ดีมากมาแต่ต้นไภเราะด้วยเริ่มเปิดได้ประเพณีของพระพุทธของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแล้วพระ สูงสาวกท่านพาดำเนิ น, เ น, นมาเป็นความละเอียดสุ ข, ขุมความพรภาพมากในทุกแง่ทุกมุมของการปฏิบัติธรรมเป็นที่หนาภูมิใจตามประวัติซึ่งมีในตำราที่เรา ทั้งหลายได้อ่านได้เห็นยิ่งควรจะยึดเป็นแนวทางอย่างถึงใจการปฏิบัติก็เริ่มแรกแต่พระพุทธเจ้าสเสด็จออกทรงผนวดและบำเพ็ญพระองค์รุวนแล้วแต่เป็นวิธี เรียบเรียบเงียบเงียบสงบเพื่อความสงบภายในเป็นลำดับแม้จะทรงบำเพ็ญผิดทางบ้างการทรงอดพระภยาหารเป็นเวลาหลายวันหรือสี่สิบเก้าวันในเสวยพระภยาหาร แต่ก็สิ่งที่น่าเคารพบูชาอย่างยิ่งก็คือพระอุษาพยายามของพระองค์ถึงขนาดสลบสลายด้วยความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเมื่อได้งดจากการทรงอดพระคยาหารนั้น มาบำเพ็ญทางอนาปานสติซึ่งเป็นถูกต้องกหลักสัจธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติก็ทรงได้จัดสรุธรรมในคืนวันนั้นการตัดประสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมชาติยึบเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่โลกทั้งหลายไม่เคยมีเลยไม่มีผู้ใดที่จะประพฤติตนอะไรับความลาบากลำบนเหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดจะได้ตรัสรู้ธรรมอันเป็นธรรมแดนอัศจรรย์อย่างยิ่งเหนือนโลกทั้งสามได้เหมือนพระพุทธเจ้า การจงนำรมออกสั่งสอนหรือโปรดสัตว์โลกก็ไม่มีใครที่จะละเอียดสุขุมกามพิลาภในแง่แห่งอัดธรรมและอุบายวิธีการอย่างการสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจา้าบรรดาสาวกทั้งหลายที่เริ่มแรกที่จะได้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจา้ามี พรพเป็นจบวกีทั้งห้าเป็นต้นซึ่งพร้อมแล้วเ้ื่อการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อได้สดับธรรมซึ่งเป็นของจริงล้นลว น, ลวนออกมาจากพระไทยของพระองค์องซึ่งจงดำเนินมาโดยถูกต้องและตรัสรู้โดยชอบธรรมอย่างยิ่งบรรดาสาวกเหล่านั้น ก็ยังทราบถึงความจริงแห่งธรรมเป็นขั้นๆั้นไปโดยลาดับนจนได้บรรลุธรรมถึงอรหัตตบภูมิด้วยกันดังนั้นศาสนาก็กระจายออกไปด้วยความสง่างามด้วยความอัจฉริยนบรรดาสาวกแต่ละองค์ละองค์ที่ได้บรรลุธรรมจับพระพุทธเจา้าก็เพราะการประพฤติธปฏิบัติตน ถึงความจริงด้วยการสระเลือดเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตจิตใจก็ไม่อะไรเสียดายพระสาวกองใดไปรประกาศพระศาสนาในสถานที่ใดจึงปรากฏว่าโลกทั้งหลายมีความเชื่อความเคารพเรื่มใส่ทำให้เกิดความร่มเยน็นภายในจิตใจ ตลอดถึงหน้าที่การงานและเกี่ยวข้องกับสังคมใดๆก็เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความร่วมเย็นเป็นจุเพื่อควา ม, นนวามนสนิทสนุนต่อกันเป็นลําดับเพราะอํนานาจแห่งธรรมซึ่งเป็นของเย็ยนอยู่แล้วทําให้โลกทั้งหลายได้รับความร่มเย็ยนเพราะอัดทำดังนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดําเนินมาไม่ว่าองค์ใด เป็นไปเพราะความน่ารนับถือหน้าเคารพเรื่องใสทั้งนั้นไม่กล้ากายกับหลักทมหลักยินในซึ่งเป็นองค์แทนจาสดาเรื่อยมาโดยลำดับทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้นมีทม เต็มดวงใจแล้วแต่ก่อนมีแต่กิเลสโสมมเช่นเดียวกับเราเราท่านๆนี้เองแต่เพราะการชำระศาสางถ่ายเทสิ่งเพื่อถ่ายเทสิ่งไม่ดีสิ่งโสมะปลกโส ม, มมทั้งหลายออกจากใจนะเนี่ยแต่พฤ่ปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเป็นวิงัยจึงเป็นผลให้จิตใจได้รับความดูดดื่มในอาธิธรรมธรรมจึงไหลเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดับแทนสิ่งสกปลกซึ่งมีอยู่ภายในใจนั้นจนถึงกับใจทั้งดวงบรรจุธรรมไว้ทั้งหมด ตายเต็มไปด้วยอดด้วยธรรมเต็มเพระด้วยความบริสุทธิ์ผุดทองการแนะนำสั่งสอนโลกก็สั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะการปฏิบัติมาแล้วทั้งทา ง, งเหตุและผลไม่มีข้อข้องใจสงสัยสั่งสอนด้วยความองอาจกระหานและตรงต่อความจริงทุกแง่ทุกมุมผู้รับการอบรมจริง ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับเพราะผู้สอนสอนโดยถูกต้องทั้งฝ่ายอุฝไายผลเพราะความรู้มาแล้วทุกอย่างจึงนำมาสอนโลกนับแต่พระนับแต่องศาสดาลงมาถึงพระสาวกการสั่งสอนอัตธรรมจากพุทธบริษัทจึงไม่มีค้าดเกเลื่อนจากหลักความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นธทมขั้นใด เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามที่จะยังผลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังโดยลำดับไม่ผิดพลาดเคาด่อนเหมือนผู้ไม่รู้ไม่เห็นนำทำรร ม, มาสแสดงซึ่งผิดกันอยู่มากด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติ ถึงคำหนึง่งถึงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพาดำเนินมาอย่างถึงใจอย่าได้เห็นจริงใดมีความสำคัญยิ่งกว่าอริยประเพณีที่ท่านพาดำเนินมาแล้วปฏิบัติตนตามแนวทางนั้นๆ ไม่ว่าตามทำไม่ว่าทำไม่ว่าวินยัยให้มีความสนใจใครจะรู้จะเห็นและเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งด้านธรรมะและด้านวินยัยเราจะเป็นไปเพื่อความภูมิจิตภูมิใจของเราเป็นอย่างน้อยยิ่งกว่านั้นก็จะทาให้เป็นความสง่างามในวงคณะผู้ปฏิบัติด้วยกัน และเป็นความสง่าราศีเกศวงพุทธบริษัทและพระพุทธศสาสนากว้างขวางไปไม่มีประมาณการทําสิ่งใดพึงระลึกถึงเหตุถึงผลอยู่เสมออย่าทําด้วยความสุ่มเดาอย่าทําด้วยความสะเทามักง่ายเพราะหลักทำทั้งหมดไม่มีทำข้อใดนแงใดที่ออกมาจากความสะเทามักง่าย ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยแต่ออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงและออกมาด้วยเหตุผลและกมกลืนไปกันไปโดยลำดับในทางถูกต้องดีงามไม่มีผิดพลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญ ศาสนาธรรมของพระโพ ธ, ธิจารเราจะเรียกว่าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็ไม่ผิดจะผิดที่ตรงไหนเพราะธรรมนี้พร้อมแล้วที่จะยัางคู่ปฏิบัติให้ถึงซึ่งมรรคผลเช่นเดียวกับครั้งพุทธการ ไม่มีทมข้อใดยิ่งยอนกว่ากันเพราะที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นโมฆะหาผลตอบแทนไม่ได้ทั้งทั้งที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักทมหลักที่ไหนแต่เป็นธรรมที่เส ม, สมอต้นเสมอปลายจึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายละและฝ่ายบองเพ็ฝ่ายละคือวิธีการแห่งการละ กิเประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและการบําเพ็ญสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนให้มีกําลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับ ม, มีสมบูรณ์อยู่ในาศนาสนธรรมทั้งสิ่ เรียกว่ามัชชิมาเสมอต้นเสมอปลายยาคิดคำหนึ่งถึงอดีตอนาคตในการแก้กิเลสเพราะกิเลสนั้นไม่มีอดีตอนาคตเป็นกิเลสอยู่วันยั่งํำที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาแก่ผู้สนิท ต, ติดจมอยู่กับกิเลสตลอดไปไม่มีคำว่าผ่อนผันสั้นยาวเหมือนสิ่งอื่นใดเลย การปฏิบัติขัดเกลาวหรือต่อสู้ปราบปรามกิเลสเราจริงไม่ควรทำความผ่อนผันสั้นยาวจะไม่ทันกับกิเลสเพราะคำที่ว่าผ่อนผันสั้นยาวนั้นโดยมากมากักจะเป็นอุบายของกิเลสเชื่อมสอนเราโดยไม่รู้สึกตัวแต่ทำอะไรก็ตามขอให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นิรยะประเพณีเสม อ, อยาทาด้วยอำนาจของกิเลสทาให้เป็นไปพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในเบื้องต้นแห่งการบวชซึ่งเคยเทศให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาจนไม่รู้กี่ครั้งแล้วซึ่งน่าจะพอเข้าใจและถึงใจกันวงานของ พระซึ่งเป็นผู้พร้อมแล้วในการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ไม่มีผู้ใดที่จะพร้อมยิ่งกว่าพระไม่มีผู้ใดที่จะมีโอกาสวาสนาอำนวยตลอดจตุปัจจัยทายาทานทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องสำรนงการสนุส น, นยิ่งกว่าพระเมื่อเราทราบแล้วว่า พร้อมทุกอย่างแล้วความเพียรของเราที่จะตั้งหนา้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต่อการงานของตนจึงควรขมักขม้นเพียบแข็งทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ในเบื้องตน้นท่านได้มอบงานให้แล้วทุกทุกท่านไม่ว่าเนนว่าพระที่ได้บวช ปรากฏตัวเป็นพระใหม่พระพุทธศาสนาจะต้องได้รับมอบงานไปจําเพศของตนเหมือนกันหมดงานนั้นได้แ ก, ก, รรก่กรรมฐานกรรมกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วในการที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าสิกต่อจิตใจของตนเพราะความลุ่มหลงในงานที่ ตนกำลังเริ่มทำอย่างนีง้ได้จะอะไรท่านพูดเพียงย่อๆแต่เป็นการกระเทือนแตงหมดทั่วอวัยวะของเราทุกส่วนทุกอาการว่าเตสาหมายถึงผมบนศรีรษะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักปวดและคารวา่าไม่สงสัยโลมาจิก็คือขนเกิดติ่ทั่วสันพาังร่างกาย หน้าขาเล็บมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายดันตาฝันก็คือกระดูกเราดีๆจะ่แต่เรียกว่าฝันมีอยู่ด้วยกันตะโตมนีเป็นประโยคสำคัญมากแปลว่าหนังพระจะปฏิยันโตหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ภายในร่างกายนี้เพื่อปกปิดความโกรกโปกโสโครกเต็มตัวภายในร่างกายนี้ไว้พอให้มองดูกันได้หมายถึงกับแตกกระเจิงไปคนละทิละทางเพราะความเบื่อหน่ายความน่าเกลียดน่ากลัวของคนแต่และคนที่ไม่มีหนังหุ้มตัว แต่เรากราบเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของสวยงามไปเสียถึงกลายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลย่ำยีตีแหลกแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่มอบให้พิจารณาให้เป็นของไม่สวยงามไปเสีย น, นี่แหละข้าสึกอยู่ที่ตรงนี้พอถึงตะโจเท่านั้นท่านก็อยู่ถ้รารอบหมดแล้วในร่างกายของเรา คนเราทำไมมีหนังเสียอย่างเดียวดูกันได้ที่ไหนแม้ว่าจะดูด้านไหนข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังด้านขวางสถานกลางเต็มไปด้วยบุโพโลหิตเยิ้อมอยู่หมดทั้งตัวแล้วเราจะสำคัญมั่นหมายตปว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามของน่ารักใครชอบใจหน้ากำหนัดยินดีได้อย่างไร เมื่อเอาหนัง บ, งบางๆนี่เท่านั้นเอาออกเลยแล้วดูกันได้ที่ไหนมีพิจารณาเข้าไปยิ่งกว่านี้ลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความขย ะ, ะแขยงซึ่งเป็นสิ่ง น, น่าเกลียดน่ากลัวเต็มระหมดภายในร่างกายของเราแท้ๆซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนโดยสัญชาติยาณของจิต มีความรักความสงวนอวัยวะของตนทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้แต่เมื่อหนังได้กระจายออกจากร่างกายนี้เสียหมดไม่มีหุ้มหออยู่เลยเช่นนี้ตัวเองก็ดูตัวเองไม่ได้ดีไม่ดีจะเป็น มาเป็นหลังไปก็น่าเพราะความเกลียดความกลัวตัวเองถึงกับไม่มีสติยับยั้งตัวก็เป็นได้นี่ก็เพราะหนังเพราะฉะนั้นหนังจึงเป็นประโยชน์อันใหญ่โตในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนี่คือ ง, งานที่พระพุทธเจ้าสมมอบให้ให้ดิพิจารณาตามหลักความจริงของมันผมเกิดขึ้นจากสถานที่เช่นไรก็เกิดขึ้นจากสถานที่สกปลโส ม, ม เกิดขึ้นจากหนังจากเนื้อและก็ว่าขี้ผมขี่ขนขี่เล็บขี้ฝันขี้เหล่านี้ออกมาจากความสกปรกภายในเป็นของเศษของเดนของทิ้งแล้วจึงเรียกว่าขี้น่าดูที่ไหนนี่แหละการปฏิบัติหน้าที่คืองานเหล่านี้จะเป็นชิ้นไดก็ตามขอให้พิจารณาให้ถึงความจริงของสิ่งนี้ ส่วนมากตะโจเป็นของสำคัญกว่าเพื่อนเมื่อพิจารณาตะโจคือหนังที่หุ้มห่ออยู่โดยรอบมีปไปตัวสันนภังสันพังร่างกายก็เป็นเหตุให้จิตใจได้อย่างทราบเข้าสู่ภายในซึ่งเป็นของปฏิกูลเต็มตัวอยู่แล้วโดยปกติของมันได้อย่างชัดเินนี่เวลาพิจารณาตะโจตะโจกาหนด ดูแต่โจแล้วยังจิตยังซึ้งเข้าไปตามหนังรอบตัวแล้วซึ้งเข้าไปภายในร่างกายนอกจากหนังหุมที่หุ้มอยู่ภายนอกแล้วดูเข้าไปภายในจิตย่อมจะเพลิดเพลินย่อมจะทราบสิ้งในสิ่งเหล่า น, นี้แล้วจะเบาไปหมด ภายในใจิตใจเกิดความสาลดสังเวชขึ้นภายในตัวทั้งนี้ได้เราได้เคยปฏิบัติได้เคยพิจารณาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงจิงเบื้องต้นก็อาศัยการคาดคะนเอใช้ ส, สัญญาเป็นเช่นบรรทัดเดินตามทุนญาร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ท่านว่ามันสกรปรกโสมล เป็นของประยุกุ์น่าเกลียด น, นี่เป็นความจริงที่ท่านแสดงไว้เป็นสวนขาตธรรมแต่จิตใจเรามันเสกสรรปั้นดอกให้ขัดต่อความจริงนั้นไปเสียว ก, กาเป็นของสวยของงามเพราะฉะนั้นจึงพยายามทําจิตใจของเราให้คล้อยตามความจริงที่ท่านตรัสไว้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามฝืนพิจารณาคือฝืนกิเลสนะั้นไม่ใช่ฝืนความจริงฝืนกิเลส พิจารณาเข้าสู่ความจริงอันไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนเพราะเป็นความจริงจนมีความทราบซึง้งเห็นได้ชัดนี่เคยเห็นแล้วคือเห็นระจากจากการพิจารณาจริงจิไม่ใช่เห็นด้วยความด้นเดาไม่ใช่เห็นด้วยความาคาดคะเนไม่ใช่เห็นด้วยความชั้นยาคือความจำแต่เห็นด้วยความจริง พอจิตได้รู้เห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนื้อเป็นต้นจิต ท, ทราบซึ้งในเนื้อแห่งร่างกายของตนแล้วก็ทำให้ทราบซ่านไปหมดทั่วสนางร่างกายเหมือนกับไฟได้เชือ้อเชื้อมีที่ไหนไฟลุกลามไปได้เหยื่อไหม้ไปเรื่อยนี่ความจริงอยู่ที่ไหนรอบร่างกายของเหล่านี้ ความรู้ก็ซึ้งไปเรื่อยๆปัญญาตรองไปตามทราบความจริงนั้นอย่างลึกซึ้งแล้วจิตใจถอนตัวออกมาเกิดเป็นความเบาใจสง่าผ่าพเผยเกิดความประทับใในความรู้ความเป็นกายของตนนั้นทั้งๆที่เราพิจารณากายของเรานั่นแหละแต่ขณะที่กำลังพิจารณาเพลินเพลินเรื่อความรู้ซึ้งๆอยู่นั้นกาย ไม่มีความรู้สึกในตัวเลยในขณะนั้นเหมือนกายไม่มีทั้งๆ้งที่พิจารณากายของตัวอยู่นั่นแหละเบาไปหมดผลสุดท้ายร่างกายทุกส่วนที่ได้รู้ได้เห็นด้วยความซึ้งนั้นก็แปรสภาพให้เห็นอย่างชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นโดยลำดับลำดับ หนังก็พังลงไปเปื่อเน่าลงไปให้เห็นชัดเจนเนื้อก็เปือยเน่าพังทลายลงไปโดยลำดับลำนาภายในตับไตไส้ภุิอะไรก็กระจายตัวลงไปเต็มไปหมดเกลื่อนอยู่ด้วยความสปกปรกโสโครกของร่างกายตนที่แตกกระจายออกจากกันเพราะการพิจารณาทราบซึ้งด้วยปัญญาจิตใจเกิดความสลดสังเวช จนน้ำตาร่วงทั้งทั้งที่เวลานั้นไม่ทราบว่ากายมันอยู่ที่ไหนและทั้งทงที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั้นเลยร่างกายของเราเอางแต่กายปรากฏว่าไม่รู้สึกตัวขณะนั้นแล้วน้ำตามันร่วงได้อย่างไรนะีจากนั้นไปน้ำตาก็หายละทีนพอพังทลายลงไปคือคําที่ว่าน้ําตานี่เป็นในขณะที่กําลังทราบ ซึ่งในความเห็นในความรู้พวกเนื้อพวกหนังพอพังลงไปทีนี้อะไรก็ค่อยหมดไปหมดไปเนื้อหนังทุกชิ้นทุกส่วนก็พังลงไปให้เห็นอย่างชัดเจนเหรือแต่ร่างกระดูกตั้งอยู่บนกองหนังกองเนื้อกองอวัยวะส่วนต่างๆที่เน่าเฟะอยู่ภายอยู่ในถ้ำกลางนั้น ต่นี้กระดูกเมื่อไม่มีเส้นเอ็นติดต่อกันไว้หรือสื่อต่อกันไว้ยึดกันไว้กระดูกก็พังทลายลงไปจนกลายเป็นกองกระดูกไปหมดร่างกายทุกส่วนทุกส่วนที่สลายตัวลงไปส่วนน้ำก็ค่อยซึมซาบลงไปในดินบ้างและเป็นไอขึ้นบนอากาศบ้าง ในความซึ้งของจิจเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยแห้งกรอบลงไปกรอบลงไปกลายเป็นดินให้เห็นอย่างชัดเจนคนทั้งคนมากลายเป็นดินให้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยการพิจารณาจากนั้นกระดูกซึ่งเป็นของแข็งก็ค่อยกลมกลืนไปกับดินแล้วกลายเป็นดินให้เห็นต่อหน้าต่อตา จิต ก, ก็สว่างกระจ่างแจ้งเป็นความอัศจรรย์เหลือล้นในขณะที่เห็นอรุภาพอรุภังอย่างประจักษ์ใจนั้นจน ถ, ถึงกับออกอุทานว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่งเพิ่งมามีในวันนี้เถอะเหรอมีเต็มร่างกายของเราอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาทำไมเราจึงไม่รู้จึงไม่เห็นและทำไมจึงเพิ่งมารู้มาเห็นกันวันนี้น่เกิดอุทานขึ้นมาแล้ว ความเบาของจิตก็พูดไม่ถูกความอัศจรรย์ของจิตที่ปล่อยจากสภาพเน่าเฟะทั้งหลายกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี้ก็พูดไม่ถูกจากนั้นจิตก็รวมตัวเข้าเหมือนไฟไหม้ดินระเบิดพึิบเดียวเลยหมดดินทั้งแผ่นหายไปหมดต้นไม้ภูเขาไม่ต้องพูดเมือ่อ แผ่นดินทั้งแขนได้กลายเป็นอากาศธาตุไปหมดร่างกายกลายเป็นดินเป็นน้ําแล้วดินน้าบนไฟกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเหลือจากความรู้ล้วนๆซึ่งเป็นความรู้อัศจรรย์เด่นอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นนั่นคือผลแห่งการพิจารนามัจุภะมัจุปรางเป็นต้นให้เห็นประจกักษ์ภายในจิตใจด้วยความจริงจีนไม่ใช่ด้วยความจักจีนเป็น แสดงความอัศจรรย์ให้เห็นดั่งเต็มที่เป็นปเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะถอยออกมามีคำว่าถอยนี่ก็เป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราใช้เป็นสมมติเท่านั้นแต่อาการความเคลื่อนของกิจที่ออกมาจากหลักธรรมชาติที่รวมตัวสงบแนวและละเอียดละอออัศจรรย์อย่างนี้มันเป็นกิริยาอันหนึ่ง ไม่ทราบว่าจะให้ชื่อให้นานอย่างไรถูกยึงเพียงว่าถอยออกมาหรือว่าแสดงกิริยาออกมาแม้จิตถึงเวลาที่จิตได้ถอยออกมาจากความสงบตัวอย่างเต็มที่แล้วเรากำหนดดูต้นไม้ภูเขาดินทั้งแผ่นก็ไม่เห็นมันยังว่างอยู่หมดภายในจิตใจของเรา ใจยังว่างไปหมดนี่คือการพิจารณาอสุภะอสุภังร่างกายเป็นที่เรียกว่ากรรมฐานห้านี่แหละคืองานของนักบวชเราเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จิตใจเแล้วยึดไปหมดคำว่าขันตั้งห้าคืออะไรกองรูปก็ได้แก่ร่างกายทุกส่วนรวมแล้วเป็นอาการสามิุสองคือกองรูป เวทนาความสุขความทุก ข, ข์ความเฉยเฉยมันก็อาศัยอยู่กับพันนี้แหละแต่ไม่ใช่สิ่ง น, นี้หากเป็นธรรมชาติของใครของเราสิ่งกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารยิยนญาเป็นยนินญาเป็นแต่และอย่างละอย่างไม่สับปนกันเมื่อเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแยกออกไปสู่ข้างนอก มันก็เหมือนกันกับขั้นไหนคําว่าอสุภอสุพังของปฏิกูลโโครกของแตกของดับของสาาลายทําลายเป็นท่าสีดินน้ำลมไฟไม่ว่ารูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายมันเป็นเหมือนกันหมดนี่ที่นี่มันก็กลายเป็นโลกวิทูเริ่มเริ่ ม, มกลายเป็นโลกวิทูขึ้นมาคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกโลกหยาบหยาบนี้เสียก่อนคือโรคแหมรูปปักขั ว่าเป็นเหมือนเหมือนกันหมดไ ม, ไม่ว่ารูปรูปใครต่อรูปใครไม่ว่ารูปหิงรูปชายรูปนักบวชนักกาลวาดเป็นเหมือนกันเหมือนพิจนาจนมีความชำนิชำนาญแล้วจิตย่อมรู้เท่าทันต่อยวางได้ในรูปประขันนี้ทั้งกองไม่มีความยือใหญ่ มีความเบาใจเพราะปลดเรื่อภาระเครื่องกดถ่วงเสียได้มีเป็นขั้นหนึ่งแห่งการทำงานคือพิจารณากรรมาฐานห้าเอสาลุมาณขาทันตาตะตเป็นพื้นฐานแห่งงานที่จะกล้าเข้าสู่งานอันละเอียดยิ่งกว่านี้สอนให้พิจารณาอย่างนี้แล้วสอนให้สถานที่ที่ เป็นที่เหมาะสมในการทำงานประเภทนี้ให้ลุล่วงประด้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุประสรรคขีดขวางทางงานของตนที่กำลังดำเนินอยู่ท่านกระสอนให้อยู่ในป่าในเขาตามลุกขมูลล่มไม้ในถ้ำเนื้อผาที่ใดก็ตามซึ่งเป็นที่สงบประหัดไม่พุกพล่านด้วยสิ่งก่อควรต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านดําเนินมาอย่างนี้นี้เป็นเนื้อเป็นหนังของาศาสนาจริงๆเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นเราปฏิบัติเพื่อให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนจริงๆก็ต้องมีการปฏิบัติและความรู้ความเห็นให้กลมกลืนไปกับ การกับกรรมฐานดังที่กล่าวนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ลืมตัวไม่ติดถิ่นติดฐานติดบ้านติดเตือนติดจตุปัจจัยชยทานทั้งสี่ไม่ติดแข่ติดคนยาตโยมไม่เห็นอันใดดียิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังดำเนินอยู่เวลานี้นี่คือทางที่ถูกต้องดีงาเป็นอนิจเกตสารีหาที่อยู่ไม่ได้ไม่กาหนดที่อยู่เช่นเดียวกับ นกที่ไปกินผลไม้หรือหาอาหารมากินกินที่ไหนแล้วอิ่มแล้วไปบินไปมีแต่ปีกกบหางตองนั้นไม่กังวลว่าต้นไม้นี่เป็นของเราผลไม้นี่เป็นของเราเปลือกตมเป็นของเราพอกินอิ่มแล้วก็บินไปดวความหาอะไรเสียดายไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อมรักผลนิพพานก็ต้องเป็นผู้เช่นนั้นไม่ติดในโรการมิสใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหวังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เราจะทํางานที่เราจะทําคือกรรมฐานห้าเป็นต้นนี้สัมผัสย่นเข้ามาตรงนี้เสมอมีเราอธิบายถึงเรื่องขั้นแห่งการพิ่จรณากรรมฐานห้าได้กรรมฐาน ห้านี้ชัดเจนแล้วที่ว่าได้หลักได้เกณฑ์ของการกปฏิบัติจิตจะไม่ฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมกับสิ่งใดเลยจะมีแต่ความละเอียดละออในเรื่องปัญญาต้องใช้เสมออยาเข้าใจว่าสมาธินั้นจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาโดยไม่ได้ทําการพิจารณาใดเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดการเรียนธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะ มีความแตกต่างและมีความแม่นยำต่างกันอยู่มากการเรียนเฉยๆเราจะพูดตามหลักการเรียนที่จดจำมานั้นผู้ผู้เรียนมาผู้จำมานำมาพูดก็เป็นผู้สงสัยอยู่แล้วหาความแนนอนใจไม่ได้คิด ก, กันกับผู้เรียนมาแล้วนำมาปฏิบัติเมื่อมามาปฏิบัติแล้วย่อมประสบเหตุการณ์ต่างๆทางภาคปฏิบัติให้เห็นประจัด ก, กับตนเอง เห็นหน่างรู้เกสาโรมานะขาทันตาต่โจนี่รู้ได้อย่างไรแล้วละจนถึงรู้จนถึงกับละสิ่งเหนี้รู้อย่างไงถึงละได้ผู้ปฏิบัติย่อมทราบภายในตัวเองด้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีภาคปฏิบัติด้วยความจริ ง, จ, รงจะปรากฏขึ้นมาจำมาแล้ว อุปชายาสอนแล้ ว, วัคเเจสารุมานาคาลันตาตะโจนั่นคือภาคศึกษาเรียกว่าปริยตัตคือภาคศึกษาและเรานำวคเเสารุมานาคาลันตาตะโไปปฏิบัติบริกรรมพิจารณาให้ทวนให้เห็นตามความจริงของกรรมฐานแต่และอย่างอย่างจนทั่วสารพรางร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยกรรมฐานคือเป็นที่ตั้งอย่างงานด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราก็เห็นแจ้งขึ้นมาอันเป็นความจริง หายสงสัยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็เป็นหลักเกณฑ์สำคัญทางด้านจิตใจหาความบันไหวไม่ได้แล้วทีนี้มีแต่ความที่จะขยืดไปข้างหน้าเลยธรรมเวทนาปัญญาสังขารมีน ญ, ญาณมันก็เกี่ยวโยงกันกันกบร่างกายนี้การพิจารณาดุทางด้านปัญญาจึงมีทั้งเวพิจารณาทั้งเวทนาพิจารณาทั้งกายประสับประสานกันไป ทุกมันเกิดขึ้นในที่เช่นไรเช่นปวดแขงปวดขาเจ็บเนื้อเจ็บหนังเจ็บกระดูกพิจารณาแยกย่ให้เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังให้เห็นทั้งความทุกข์ที่มันเป็นนั่นมันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆหรือความจริงแล้วทุกข์มันเป็นทุกข์เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเป็นแต่ยังอาศัยกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทางปัญญาที่พิจารณาชอบด้วยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนั้นไง เมื่อในพิจรณาเห็นชัดเจนอย่างนั้นเนี้วมันจะพ้นจิตผู้ไปลุ่มหลงนี้ไปไม่ได้มันต้องย้อนเข้ามาหาจิตจิตก็เป็นแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆของเวทนามันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งเป็นความกินของมันอันหนึ่งเท่านั้นกายแต่ละสันตส่วนก็เป็นความกินของตนแต่ละอย่างละอย่างไม่สับสนตกลเปกันนั่นคือความกินแท้ จิตเมื่อรู้เท่าทันเพราะการพิจารณาให้เห็นแจงแจ้งแล้วย่อมถอนตัวเข้ามาเป็นความจริง mm. เช่นเดียวกับสิ่ ง, งนั้น mm. เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่พอใจแล้วคำว่าเวทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาณกับจิตก็ปล่อยวางกันเอง mm. เช่นเดียวกับจิตปล่อยวางร่างกายด้วยการพิจารณารอบครอบแล้วพอแล้วเนี่ยเขามีมีอะไรผิดแปลกจากกัน ที่กล่าวมาทั้งมวล น, นี้เป็นที่หลบซ่อนเป็นที่อยู่ของกิเลสทั้งมวลโลกเราหลงอันนี้เองหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงเนื้อหลงหนังหลงอวัยวะต่างๆส่วนอวัยวะต่างๆของตนว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นหญิงเป็นชายด้วยความเพิกสันปั้นหยอกแลกว้วก็ติด ไปตามนั้นดิ้ไปตามนั้นทั้งทั้งที่ไม่จริงวิเลศย่อมเป็นของปลอมและเป็นค่าสึกต่อธรรมเสมอไปด้วยเหตุนี้วิเลศจึงต้องกดขี่บังคับหรือกล่อมจิตใจของผู้ไม่มีความแยบคายให้ลุ่มหลงไปตามมันอยู่เสมอจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นความเฉียฉลาดให้ทัน กับคนมายาของจิ้หลุมีสติปัญญาเป็นต้นเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาย่อมจะมีความทําำ น, นิชำนาญและจะทราบกันได้ในวันหนึ่งพอเป็นเงื่อนพอเป็นหลักใจพอเป็นคติต่อจากนั้นก็ค่อยคืบคลานกันไปเรื่อยๆจนถึงกับขั้นมีความแต่กล้าสามารถโดยทางสติปัญญาและสามารถรู้เท่าทัน รอบตัวสิ่งที่เคยหุ้มห่อจิตใจและใจที่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่มันก็เป็นไฟอยู่แล้วแล้วเอาไฟเป็ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเผาหล่นตนอื่นมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดัผลสุดท้ายก็ปล่อยทั้งภายในปิดวิเลทุก ป, ประเภทอาศัยอยู่ตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้แหละ ท่านจึงสอนให้แยกให้แย่ให้ถากให้ถางลงไปด้วยกำลังของสติปัญญาเพื่อให้เห็นแจม่มแจม้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่ซุมซ่อนของกิเลสความรุ่มหลงจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้แล้วจอยวางเข้ามาทูจินี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติ แล้วปล่อยวางเข้ามาสุดจิตแล้วยังไม่แล้วนิเลสจะมีอยู่ทั้งทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสมีอยู่ทั้งทางรูปเบชนาสัญญาทางการนิยามจึงต้องพิจารณาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพื่อถอนตัวเข้ามาเพื่อเป็นที่เป็นขับไล่กิเลสไม่ไปยึดไปถือไม่ไปหลงงมงายแล้วก็ย้อนเข้ามา หาขังทั้งห้าขับไล่กิเลสจิ้มไปเกี่ยวหลบซ่อนยึดถือด้วยความงมงายในสิ่งเหนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรารูปก็เป็นเราเวทนาสุขเทุกข์เฉยเฉยเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจําได้หมายรู้เป็นเราเป็นของเราสังขารควา ม, มาปปาาญญาคามิดตุ่มดีชั่วต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราวิญญาณความรับทราบทางตาหูจมูกลิ้งกายทั้งเกิดทั้งดับ นั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเลยกลายเป็นเราขึ้นมาด้วยความเสศสันต์ตัญนหออันเป็นความมุ่งงม ง, ง, ง, ง, งายของเราที่หลงตามคนมายาของกิเลสทั้งสิบนี่จึงต้องได้ชะล้างหรือทาลายกันด้วยสติปัญญาจนกิเลสไม่มีที่หลบที่ซ่อนเพราะสติปัญญาตามต้อนตามฟาดฟันหรือเผากันไปหมดกิเลสก็ต้อง หดตัวเข้ามาเพราะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยไม่มีทําเลยเที่ยวหลบซ่อนเที่ยวหากินไม่มีทางเดินเพื่อหาอาหารนั้นก็หดตัวเข้าเข้าไปหลบอยู่ภายในคือใจ อ, อยู่ภายในใจก็เป็นทกิเลสเหมือนกันกับอยู่ภายนอกผู้ที่จะทําลายก็คือสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเข้าไปสู่พนาใจิติปัญญาก็ตามเข้าไป พิจารณาให้เห็นชัดลมภายในจิตใจนั้นอีกจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายออกไม่มีเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆคืออิสระเสรีของจิตจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วตั้งแต่บัดนั้นต่อไปผลที่เราได้ดำเนินมา ในงานของเราเริ่มตั้งแต่กรรมฐานห้าจนกระทั่งถึงรอบทั้งภายในจิตใจก็เป็นอันว่ายุตินี่เลยท่านเรียกว่าวุสิตังธรรมจจอย่างทำงานงานของสมณะนั้นน่ะได้สำเร็จตรงแล้วด้วยความรอบครอบชอบธรรมและบริสุทธิ์เต็มดวงใจนี่เรียกว่าทำงานสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านก็สาเร็จที่ใจ พระสาวกอรหันหันท่านก็มาสำเร็จที่ใจนี้ยุเรศเวลาจะตายก็ตายลงที่ใจสลายลงที่ใจเวลาเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อถูกทำลายลงไปแล้วก็ดับลงที่ใจใจที่ถูกยุเรศทุ่มหอจึงมืดอยู่ที่ตรงนี้นั้นเรียกว่าโมหะคือความมืดบอดของใจเพราะอํานาจของยุเรศมันปกคลุมส่วนยุเรศมันไม่ได้มืดบอด มันขนาดครอบําหัวใจแผ่นโลกไม่มีอะไรเสมอเหมือนนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะฟากฟันหันแหลกกันลงไปเผากันลงไปที่ทรานั้นพิเดชก็หลุดลอยไปไม่ว่าประเภทยาประเภทกลางประเภทยาอยู่ทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ตามลูกเวทนาอยู่ตามลูกิเดชปันกลางก็อยู่ตามเวทนาสัญญาทังขา <oons> นยิงยานพิเดชอย่างละเอียดก็อยู่ภายในจิตสังเกตุนั้นท่านเรียกว่าอวิชชา แล้วก็ไปสุดกันตรงนั้นเวลาจะสังหารให้สิ้นสุดไปโดยสิ้ น, นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือก็ต้องไปสังหารกันที่จิต ด, ด้วยมหาสติมหาปัญญาที่ทันสมัยที่ทันกันกันกบวิเดียตประเภทละเอียดที่สุดก็ระยุติกัร น, นั้นท่านเรียกว่าวุชิตังพรรมจรอย์อได้เสร็จงานแล้วงานวัตจักร งานเพื่อแก้วัฏจักรออกจากใจวัฏจักรแต่ว่ามหมุนวนเวียนอยู่นั้นไม่มีมเวลาไม่มีต้นมีปลายได้แต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งความเกิดจากเก็บตายของจิตที่เต็มไปด้วยกิเลส้าเนียกว่าวัฏจักิหมุนไปเย็นมาอยู่นั้นมาพบเก่าพบใหม่อะไรก็มีเป็นเรื่องพบว่งเกี่ยวของแต่ไม่รู้ว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่พบกี่ชาติเวลาจะทราบก็ต้องทราบโดยภาคปฏิบัติ จะทราบอย่างอื่นไม่ได้เรียนจบพระไกรดีดกก็เถอะถ้าลงไม่ได้เข้าภาคปฏิบัติแล้วจะไม่ทราบวีแววของจิตวี่แววของเทเลสว่ามันเป็นกันมาอย่างไรมันเกี่ยวโยงกันมาอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเทเลสกิทําให้สัตว์ได้เกิดแก่เกิบตายได้อย่างไรนอกจากว่าตายและสูญแต่ละสูญก็เป็นเรื่องของเิเลสมันหลอกอีกไม่ใช่ความจริงเรื่องล่อพิจารณา ปฏิบัติดังที่กล่าวนี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามความจริงเพื่อรู้ความจริงเป็นลำดับทํานับจนกระทั่งรู้ความจริงเต็มส่วนคือสํารอบปอบกิเลสออกจากใจหมดแล้วเราไม่ต้องไปถามผู้ใดพูดก็สาธุแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ตรงน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมท่านสอน เพื่อความจริงความจริงมีอยู่กับทุกคนสอนเพื่อให้รู้ความจริงเมื่อปฏิบัติตามแนวที่ท่านตรงสั่งสอนไมาแล้วจะไม่รู้ความจริงเป็นไปได้อย่างไรต้องรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็เป็นสิ่งเท่าเทียมกันแจะถามท่านให้ท่านนับสั่งว่าอย่างไรอีกนี่เมื่อถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่มีใครถามใครเพราะความจริงร้อนๆเต็มหน่วยใจนั่นแหละเรียกว่าหมดจิตหมดการหมดนาน หมดจริงๆตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่มีเกิเลตตัวใดที่จะแฟงัหาอย่างนี้เกิดขึ้นเลยตั้งแต่ขนาะได้สิทธิ์สิ้นสุดดิมุตหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลายภายในจิตใจนี่แหละงานของพระเรามีทางสำเร็จได้มีวันมีปีมีเดือนให้สำเร็จได้ด้วยความภาคภียงของเรา เมื่องานนี้สาเร็จแล้วงานอื่นๆก็สักจะว่าทำไปอย่างนั้นเองงานอันแท้ จ, จริงที่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงสงรั่งสอนพิสูจบริสัทก็คืองานฆ่า ง, งานทำลายกิเลสงานทำลายวัตจักที่มีอยู่ในจิตนี้ให้ขาดเือนประจักใจใเรื่องพบชาตินั้นเราไม่สงสยัยเริ่มรู้ไปตั้งแต่ขั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกไปโดยลาดับ อันไหนเป็นชื่อแห่งวัตถภูมิใดขั้นไหนทราบไปโดยลำดับแล้วทำลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงภูมิละเอียด <S <S 1> <S 1> คืออวิชชานั้นเป็นภูมิละเอียดเป็นผู้สำเร็จอานาคามีผลโดยสมบูรณ์แล้วอวิชชายังไ่ยังมีอยู่ภายในใจเสมอไปเกิดในปรมโลกห้าชั้นคืออวิหา ต, ตาตาที่ธา ท, ท, ท, ที่สี่อากาศธา แต่นั่นก็ผ่านนี่คือผู้มีกิเลสอันละเอียดได้แก่อภิชายนานใจแต่ผู้ทำลายวิชาที้หมดแล้วไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นชั้นใดภูมิใดธรรมาโลกใดก็ตามผ่านถึงความมือสุดมีมุหมดหลุดพ้นเห็นประจักษ์ใจแล้วถามว่าขายที่ไหนเพราะความจริงมีอยู่ใจ มีทางที่จะฉลาดแหลมคมได้เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจเป็นของฝึกฝนอบรมได้เป็นของทําให้ฉลาดได้เป็นของทําให้โง่ได้นี่ทำเป็นธรรมชาติที่ทําใจให้ฉลาดฉลาดก็หมายความว่าาดในตัวเองเนี่ยเป็นของสําคัญเมื่อฉลาดรู้รอบภายในตัวเองแล้วก็กลายเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไปหมด ในจินทั้งหลายอะเป็นอนิจจังทุกขะนาตาเป็นความสมมุติกันทั้งนั้นนั่นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกที่จะถึงรู้ถึงเห็นเหมือนเหมือนกันเป็นแต่เพียงกว้างแคบของกันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ภูมิคำวิจารย์ยังอีกลึกซึ้งเข้าไปกว่านี้อีกหลายขั้นหลายผุ่มโดยบระวิถูอย่างชาบกระถอดกระทั่งวารจิตกระทั่งถึงภูมินั้นภูมินี้เคยเกิดเป็นพวกใดชาบใดของสัตว์แต่ละตัวตัวก็ พระ อ, องค์สามารถรู้หมดเพราะขี้เล็ดพายให้เกิดขี้เล็ดพายให้ตายบุญพาให้ดีบาปพาให้ชั่วพาให้เกิดสุขสุขดำดนุ่มดอนซึ่งเกิดขึ้นในจิตเพราะจิตเป็นผู้สร้างมาเองเมื่อทําลายจึงต้องทําลายลงที่จิตเมื่อทำลายลงที่นี่จนหมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วจะมีอะไรเข้ามากวนจิตอีกแล้วไม่มีมีแต่ขันที่ กระดุกกระดิกกระดูกกระดิกไปตามภาษีภาษาของมันซึ่งมันมีความหมายตนเองเลยเท่านั้น้อหมดกําลังของมันที่จะสืบต่อไปแล้วมันก็สลายเรียกว่าตายจิตก็ที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีดตัวออกไปหมดความรับผิดชอบคําว่าห่วงใยไม่ต้องพูดท่านห่วงหาอะไรมีความรับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็หมดความรับผิดชอบ นี่ผลท่องงานมีกรรมฐานห้าเป็นงานเบื้องต้นในสำเร็จตืนล่วงไปถึงขั้นงานอันละเอียดได้แจกทำลายลิขชาติปัิญาสร้างขาง้นให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วไม่มีงานใดมาอีกที่จะให้ทำมีตกิริยาทํามัน้นจะทำง า, งานนั้นงานนี้เพื่ออะไรก็ไม่เห็นมีเพื่ออะไรก็ให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจพุ้นปฏิบัต อย่ามองเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ความแปลกประหลาดคามเข้าใจว่าสิ่งนั้นแปลกสิ่งนี้ประหลาดคือความหลอกตนทั้งนั้นเป็นมาจากกลมายาของเบียให้พึงทราบเสียว่านี้คือกลมายาของเบียดที่หลอกสัตว์โลกให้จมแต่ธรรมนั้นจะเป็นธรรมชาติที่แก้ความหลงหลมหายของตนและความล่มจมของตนให้ฟื้นตัวขึ้นมาสู่อิสระเสรี เต็มที่ภายในจิตใจนี่แหละการดําเนินตามอัยยประเพณีของพระพุทธเจ้ามีมรดกอันสําคัญที่จะถึงได้รับเพื่อกันดังที่กล่าวมานี้ขอให้ทุกท่า น, นเป็นที่มั่นใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคผนิพพานโดยตรงไม่ได้สอนไว้แบบเปาพาแบบโมคะบุรุษเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศ า, าสโมคะศาสลา ธรรมะจริงไม่ใช่โมกมคะธรรมสอนด้วยความรู้จริงแข็งจริงจริงจผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผมเป็นที่พอใจเดิมแบบไม่สงสัยขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งใดเหนือธรรมะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือธรรมสามโลกธาตุนี้ยอมกราดธรรมตั้งนั้นธรรมเป็นของกระเสือดสิ่งนั้นไม่ปรากฏว่ากระเสรอดเป็นคู่แข่งธรรมได้เลย ให้เป็นที่มั่นแต่เราเคยผ่านโลกมานานแล้วทางตาทางหูทางจมูกนี้กายสัมผัสสัมพันธ์กันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราทำไมจะไม่เบื่อหน่ายไม่ทำไมจะไม่บวกลบคูนฐานกันพอให้รู้ผลแห่งการได้การเสียของตนบ้างการประพฤติทำทำไมจริงทำาจะทำความอ่เอแอเมื่อจะเข้าถึง ความประเสริฐเดิดโลกเพราะการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของขุนเจ้าเจ้าแฉทไมจึงเห็นว่าเป็นของลําบากลําบนหิเดียดเหยียบย่ําทํานายหัวใจเราไม่ลําบากเหรออะโลกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะกิเลสม่ใช่ดีไม่ใช่เพราะธรรมทําไมเวลาระเบิ่มเพ่นธรรมจึงจะเห็นว่าเป็นความลําบากนั่นแหละคือคนมายาของกิเลสหลอกเราให้พากันเข้าใจเอาไว้ต่อไปนี้ก็ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง ดับคลืนได้แล้ว